م َ س َ ك ِ ن ِ م ِ ن َ ا ل ْ ق ُ ر ُ و ن ِ يَمْشُونَ ف ِ ي م َ س َ ك ِ ن ِ ه ِ م ْ إ ن َ فِي ذَلِكَ ل َ آ ي َ ا ت ل ِّ ل ِْ ن ُ ه ا إ ِ ن َ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ل ِّ ل ُِ ن ُ ه َ ا ولولا ََ كلمة َ سبقت َ من ربك. لكنا َ لزاما وأجل مسمى. َ ل ك ن َ لزاما وأجل َََ مسمى. َ ف ัซบิ على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قَبْلَ طُلُوعِ الشمس و َ ق ก ب บหَั่งรูบิฮะแลَจِกนัَ้ในคืน ل ี่จะต้องสَถและจากนَ้นในคืนท ا ل ن َّ ه َ ا ر บ لَعَلَّكَ ت َใْคَนทีَ่ะต้องสบถ แลَฮาริักระระบาวลาดมุดเดวลาดมุดเดยินตระหนกในสวรรค์ที่เ แต่งาบีอัลวาจาอัลวาจา منهمزهرة แห่งชีวิตนี้มีวาจา منهمزهرة แห่งชีวิตนี้ในนั่นอุมฟี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 ว่า ه ัดว่าหนา m عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بك لما تلاه التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم <c oughs> ร่ ي ีต الله รับบ์วับอิ ل ا าม ل ีน่าวับมุฮัมมัดรัสูละอัลล ل ฮ ب มะอินีอ ل งุบิค์มินัลค أ ซล์วัสูอิลคิบรีรับบ์อางุบิค์มินั่ดับบ์ฟินนาร์วัดับบ์ฟินลัพี่น้องที่ร่วมนมาต์จามาห์เวลาซุบฮ รูเวล่าฟจ j a r ที่ัรทั้งหลายครับอัล h a m d u l เราต้องขอบคุณอัลลอ์สุบฮานะฮูวะตั้าลนะครับขอบคุณเมื่อตอนตื่นนอนให้กล่าวว่าอัล h a m า u l ล l l a h ล lillahi ahya na ba'dama a ะ a t a na wa illahi n นบีสอนให้ขอบคุณอัลลอ์แบบนี้แล้วก็ เข่าห้องน้ำอ่านดูอานะครับแปลงฟันอาบน้ำนมาดออกจากห้องน้ำออกจากที่อาบน้ำกล่าวดวอาอีกอัลดุอัลเลาะห์อิละฮิลลอหลูอัาดุอันนะมุฮัมมัดอันนับดูฮูวรูลแล้วก็นมาดแต่งตัวพอใส่เสื้อต้องอ่านดูอาอีกอัลฮัมลุลิละฮิลลัติคซาเนบิฮิรตี วะอาจจะยำมาลบิฮีพิฮัยตีเข้าเสือนมานมาสุนัดก่อนนะคนที่มานามาที่มัสยิดนะเป็นอามันที่ซอแร่ที่ดีอยู่แล้วแต่นะอย่านมาให้นมาสุนัดก่อนจะออกจากบ้านนะครับแล้วก็ค่อยๆมามัสยิดในาการณีที่เราอยู่บ้านใกล้มัสยิดแต่คนที่อยู่ไกลหน่อยอาจจะตื่นนอนแล้วออกมาเลย ก็อย่าลืมว่านมาสุนัตสองเราก็อาดก่อนนามาสุปก่อนนมาซุบโบนี่นบีทําไม่เคยขาดต้องพยายามรักษาเอาไว้ทําไมต้องรักษานมาสนาวาฟิลสุนัตก่อนหลังก่อนเช่นนั้นนมาสบายมีสี่เราก็อาดหรือสองเราก็อาดทําทีละสองถ้าทำสี่ให้ทํา ทำทีทละสองเรอกา็อัดใครสลามทีหนึ่งแล้วก็ยืนนมาดอีกอีกสองเป็นสหลังนมาดยุครี่ทำอีกสองหลังนมาดมกริบสองเราก็อัดหลังนมาดอิชาอีกสองเ ร, กรอราการอัด ก, ก, ก่อนนมาดซุปสองเรอกอัดนบีสอนบอกว่าใครที่รักษานมาดวันหนึ่ง10หรือ12บสองเรากอัดบนริลอหูแลหูไบจันฟิลจันนะอัลลอฮฺจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์ ผ ล, ลบุญของคนที่นามาตนาวาฟิลนี่นะวันห น, นึ่งสิบสองเรากังอัดนี่ผ ล, ลบุญถ้ากับคนสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดก็เหมือนกันมันบานาใครที่สร้างมัสยิดลิลละฮีนะสร้างเพื่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์คนจนๆก็โอ้ชันแย่เลยไม่มีเงินสร้างมัสยิดอังคนนมาต นมาดเลยนะนมานวารพิ น, นรักษานามาสิผลบุญเท่ากับคนรวยที่สร้างสุรเรานั่นแหละอัลล์ให้ทางออกสำหรับชีวิตไว้เยอะมากนะขอบคุณอัลล์สุบฮา น, นวูวตาลาที่เรานทบทวนคุรานต้องอ่านคุรานนะที่มามอ่านเมื่อตอนในนมาตะกี้อัลลอฮ์ดีหมดเลยทุกอายะมีความหมายหมดแต่ว่าถ้าเรารู้ความหมายในอิหมามนมันเพิ่มนะ ขอบคุณอัลลอฮ์เรามาเราทบทวนกุณอา่านในหลังน้ำมาสูบของทุกวันอาทิตย์เราไม่เอาเวลาของท่านคือน้องเยอะหรอกนี่ละชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์ละหนึ่งชั่วโมงให้เวลากับการอ่านอัลกรุรอานแล้วก็หาความรู้จากอัลกรุรอานผมอ่านทัดิษพบบอกว่าคนที่อ่านกุณอ่านเนี่ยหลายคนถูกอัลลอฮ์สาปแช่องอธิบายยังไง คืออ่านแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยสอนอะไรนี่ถ้าไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สอนอะไรถ้าเราเนี่ยอ่านกุร์ร์อ่านและกลกรุรอานก็สาบแช่งเราเองแต่นั้นถ้าหากเรารู้ความหมายของอัลกุรอ่านบ้างอัลลอฮ์กุร์รอ่านก็คือทางนำสําหรับชีวิตของเราเลยแหละนะเป็นทางนำสําหรับชีวิตเลยว่ามีปัญหาเนี่แก้ยังไงเรานี่ยแก้ตามอัลกรุรอาน หลายคนต้องฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับเวลามีปัญหาชีวิตต้องหาทางออกของชีวิตไม่ได้พอออกไม่ได้ก็อึดอัดอึดอัดอึดอัดมีทางออกอยู่ทางเดียวคือไซต์ตอนมาแนะนํามีปืนสิยิงเมียก่อนแล้วก็ยิงลูกเรายิงตัวเองทีหลังนั่นนะเข้าใจผิดนึกว่าตายแล้วจบตายแล้วไม่จบครับชีวิตอยู่ในอัลลัมบัซรักเจอด่านอีกหนักหลังจากตายไปแล้ว ฉะนั้นอย่าทำอะไรผิดบนโลกดุนยาใบนี้นะครับขอบคุณน้องร้อนนะวันนี้เรามาถึงซุระอตฮะซุรอที่ยี่สิบอายาที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกของอาทิตย์ที่แล้วนะอืมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยกอเลกะดะลิกะอัตต กาอาญาตุนาปานสิตาหะว่ากาดาริกาลยามาตุนซาอายะที่แล้วเนี่ยของอาทิตย์ที่แล้วนี่นะอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์ตัดว่าหรืออัลลอฮ์พูดว่ากาดาริก็เป็นใงทำนองนั้นแหละแะอัตัดกาอาญาตุนา เราได้ประทานองค์การทั้งหลายของเราผ่านนบีมุฮัมมัดวันนี้มาถึงพวกท่านแล้วอยู่ในมือของท่านเนี่ยคุณา น, นี่แหละเป็นทางนำสำหรับชีวิตนะอัลลอฮ์ให้มาแล้วเนี่ยฟฟนาซีท้าท่านเนี่ยลืมไอ้คำว่าลืมหม้ยความว่าไม่สนใจเลยหดือก็ตั้งใจทิ้งอัลกุรอานเลย วาการ่าลีกาลเยามาตูนซาในทํานองเดียวกันในวันเตียมะคนที่ไม่เอาคูร่านวันนี้อลัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาตาบอดอลัลลอฮ์ก็ลืมเขาเหมือนกันอุลามะตัฟซีดเนี่ยอธิบายคำว่านาซีตาฮาข่าวันนาซีย่าเนี่ยประวลืมเนี่ยบางทีก็มีความหมายว่าคนกาเฟติปฏิเสธอิสลาม แต่อุลามะมีอยู่ท่านหนึ่งว่าคนที่เป็นมุสลิมที่เป็นคนแขกอยู่แล้วนี่แหละที่อ่านคุรานแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยแบบคุรา น, นี่สอนเนี่ใจก็ไม่ได้นึกที่จะหาความรู้จากคุรานด้วยรวมไปถึงคนที่อ่านคุรานแล้วก็ลืมกุรานมีไหมอ่านอ่านแล้วก็ลืมไปเลยมีหลายคนเนี่ยผมเดินเจอพบร้องไห้ บอกว่าฉันเนี่ยตอนตอนสาวๆเนี่ยอ่านอ่านคุรอานเก่งไม่ได้จับคุรอานมาสมสิบปีตอนสามสิบปีจะโหาอะไรร้ไหมแต่งงานหาเงินหาบ้านหานุนหานี่หารถไม่มีโอกาสได้อ่านคุรอานเลยพอมาเปิดอ่านคุรอานตอนอายุหกสิบอ่านไม่ออกเสียใจร้องไห้อะท่านช่วยหน่อย เห็น ไ, ไหมเนี่อยอาย่านี้ต้องการจะเตือนคนประเภทนั้นด้วยอฟานอาซีต่างอ่านคุรานแล้วแล้วก็ต่อมาลืมไม่จับอัลกุรอานเลยเพราะว่างานดุลยามันเยอะไ ด, ได้เงินได้เงินได้เงินได้เงินได้นู่นได้นี้ลืมอ่านคุรานลืมนมานมดทำอยม่เลยแล้วนี่เอาล็อตเตือนนะครับพี่น้องทั้งหลายเอาต่อมาอายาที่หนึ่งรอยี่สิบเจ็ดสหรับวันนี้นะครับ เช่นเดียวกันนะครับว่ากาซาเลกาณจีมันอัสรฟะวะลัมยุมินวะลัมยุมิน bi ayati ربي و, و العذاب الآخيرة أشد وأبقى وكذلك นจจิมันอัสร ف ولم يؤمن ولم يؤمن بآيات ربه و ل عذاب الأخرة أشد و ب ا ب, ه و أ ة أ و أ ب ق oh, an <laughs> ه هو อันนี้ยาครัวว่ากักในทำนองเดียวกัน คนที่หันหลังให้กับกุรรานหหันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับสุนนะนบีครับหันหลังให้เลยไม่เอาเลยเอาประเพณีปฏิบัติของของตำบลของบ้านที่ท่านอยู่นั่นแหละผู้ใหญ่ก็ทำไงก็ยึดตรงนั้นแหละเป็นแบบและสุนนะนบีเนี่ยโยนทิ้งไปเลยไม่เอาวกาจ่าเรียกคนที่ทิ้งทิ้งกุรรานหทิ้งสุนนะทิ้งนบีมุฮัมมัด ไม่สนใจอิสลามเลยนะสุนน่านบีก็ไม่เอากูนอ่านก็ไม่อ่านไม่สนใจสุนน่านบีอย่ามาพูดจะยิ้มว่าสุนน่าเนี่ยมองเป็นภาพคนเลวไปหมดเลยพี่น้อง <c oughs> ในทำนองเดียวกันนัยจีเราก็จะตอบแทนเราก็จะลงโทษเขานั่นแหละนะนัยจีเพราะว่าอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนเราจะลงโทษเขา <c oughs> ลงโทษแบบไหนครับมันอัสรอฟ้า ผู้ที่ละเมิดขอบเขตน้าคนที่ทําอะไรเกินคําสั่งของอัลลอฮ์มีไหมมันมีอสองอย่างนะทําขาดกับทําเกินพวกเรามีทั้งสองเลยทํากว่าทำไม่ครบอย่างนี้อยานมาฎฟา ร, รดูส่วนใหญ่นมาฎฟา ร, รดูครบแต่บรมาโุนัตไม่ได้มีไหมมีบางคนมานมาที่มัสยิด คนมาแล้วเนี่ยสุภานั่นล้อก็ไม่ได้ว่าเพนอง ก, กอนเอาเรามองเป็นภาพเดียวกัมีทุระใช่ไหมเราไม่ว่ากันอย่าเราสอนกันให้กำลังใจกัน <c oughs> คนที่ฟังศาสนาคนที่มานามาคนที่อ่านคูงอานแต่ไม่ฟังไม่เคยนั่งในมจัจลิสแบบนี้เลย <c oughs> ไม่เคยนั่งฟังเรื่องศาสนาในมจัจลิสในมัสยิดไม่เคยฟังเลย มีไหมมีครับฉะนั้นคนที่ทำอะไรขาดขาดบนโลกนี้เยอะไห ม, มเยอะมากครับกับทำอะไรเกินเกินมีไหมมีครับทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าอัสรอฮ์าทั้งหมดเลยฉะนั้นใครก็ตามที่ทำอะไรละเมิดขอบเขตฉะนั้นคนที่ละเมิดขอบเขตนี่นะเช่นเดียวกันอัลลอฮ์ก็จะลงโทษพวกเขาเหมือนคนที่หันหลังให้กับอัลกุรอานเหมือนกัน โทษหนักนะมาใช้เรื่องเบานะแล้วก็โทษอีกใครอีกว่ามาวลัมยูมิมบิอาติรบีและคนที่ไม่ศรัทธาในอายะตต่างๆในสัญญาณต่างๆทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของเขาก็ถูกลงโทษเหมือนกันคนหันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับซุนานะนาบี หลังให้ตูกก้นอ่านถูกถูกลงโทษคนที่เป็นมุสลิมที่ทำอะไรเกินกว่าที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ก็ถูกลงโทษคนที่ทำอะไรไม่ครบตามที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ก็ถูกลงโทษอีกเหมือนกันรวมไปถึงวันลัมยุมิมบีอารติร บ, บีคนที่ไม่ศรัทธาในสัญญาณต่างๆของพระผู้อาภิบาลของเขาก็ถูกลงโทษเหมือนกันนั่นต้องเตือนลูกเรา พ่อแม่บางคนดีมากเลยแต่ลูกโอ้อร่อยจริงจริงที่นั้นต้องอบรมลูกต้องบอกภรรยาบางทีพ่อดีภรรยาไม่ดีมีไหมมีบางคนภรรยาเนี่ดีมากเลยนะแต่สามีอัลลอฮฺนี่สุบโบนี่ถ้าภรรยาปลูกน่ะทีบนะไม่ใช่ยิ้มนะทีบอยังเงี้ยมันจะปลูกเปิกเลยอัลลอัมฺมีไหมมี ผมอยู่ตรงกลางเนี่ยระหว่างคนรู้กับคนไม่รู้อัลลอฮ์โทรมาเล่าให้ฟังเ ย, ยอะตนก็ต้องฟังเอาไว้รับเป็นข้อมูลทั้งหมดนี่ยนะอ่ะทีนี้คนที่ทําอะไรเกินขอบเขตคําสั่งของอัลลอฮ์มีไหมมีหรือกระทาบินอ้างอ่ะคนที่ทําอะไรน้อยไปกันหลักการก็บินอ้างเหมือนกันใช่ไหมและเช่นเดียวกันคนที่ไม่เอาอะไรเลยก็มีไหมมีครับ แล้วคนที่เป็นมุสลิมที่ทิ้งสุนนะนบีมีไหมมีอยู่ในกลุ่มพวกเราทั้งหมดนี่แหละแต่อัลลอฮ์ก็เตือนอ่าเตือนนะเราลงโทษพวกท่านแน่นอนนะจากนั้นมันมีอยู่ทางเดียวต้องตอบ้าตัวซะอายุหกส็จแล้วพอแล้วพอพๆหันมาเรียนศาสนาเถอะนะเพื่อจะพัฒนาไอ้ของทดีย่ยรแล้วทำอะไรเกินทำอะไรขาดตรงบกพร่องไปนี่คุยเพาะมุสลิก่อน อัต่อมาครับว่าละอาดับุลอาคิรอติอาชัดดูว่าบุควาเลเนนนอนอาดาบแปลวะการทรมานอัลอาคิรอในปุรโลกในวันอาคิรอในวันกิยามะการลงโทษในโลกอาคิรอนั้นกับการลงโทษบนโลกดุนยานี้ไม่เหมือนกันลงโทษบนโลกดุนยานี้เบา ไม่นักบลลงโทษบนโลกดุนยานี้ไม่นักแต่ลงโทษในโลกอาคีรอนนั่นกูอ่านยังไงอ่ะชัดดูแปลว่าได้นะสาหัสกว่าแรงกว่าหนักกว่าแล้วก็ว่าอับบกออับบกอแปลว่ายาวนานกว่าหรือยั่งยืนกว่าท้าววรกว่าออ ล, ลเห็นยังครับพี่น้องการลงโทษบนโลกดุนยานี้ ที่เรามองดูซ้าก็หนักกันนะ อ, ะอย่างคนที่ตาย ش ه ิตเนี่ยถูกระเบิดปึ้งโอ้ยเลือดกระเด็นเนื้อกระเด็นมาทั้งนี้ทั้งนี้คอขาดเนี่ยนะเรามองเป็นภาพเนี่ยสยองน่าดูเลยแต่ท่านอาบดีศอสเนี่ยนะคนที่ตาย ش ه ิตนะมดกัดเจ็บกว่าอ้าวอธิบายยังไง <c oughs> คนที่อยู่ในทางของอัลลอ์เนี่ยออกไปปกป้องศาสนาแล้วศัตรูยาฮูดีมเอาทหารมายิง ปตายกันเป็นแถวเลยไปนังหมดกัดเจ็บกว่าเรามองดูเป็นภาพนะแล้วคนที่ถูกลงโทษดีล่ะรอนลงโทษอย่างพวกอาร์ตสมุทรพวกเนี่ยพวกเดดซีที่เราไปเที่ยวกันน่นนะทะเลตายอ่ะนั่นอ่ะบางคนไปกันเยอะแต่ไม่รู้ว่าที่ไปที่มาของเดดซีคืออะไรไม่รู้ ต่า น, นเราต้องบอกกันนะเดซีก็คือกลุ่มชนที่ไม่เชื่อนบีลูดอาเฮิสซลามพวกนี้ทำอะไรผิดหรือฮอร์โมนเซ็กชั่ไงกับผู้ชายกับผู้ชายเข้าหากันไม่เอาผู้หญิงแล้วผู้ชายหาผู้ชายผู้หญิงก็หาผู้หญิงผู้ชายก็หาผู้ชายตรงนั้นประชากรทำบาปเยอะมากอัลลอฮฺเมตตาส่งนบีลูดมาสอนไม่มีใครเชื่อสักคนหนึ่ง แล้วพระยาแนาบีลูกก็อร่อยด้วยเป็นสปายให้กับผู้ชายข้างนอกด้วยเลวมากมากเลยเอลร่อยแม่นลงโทษท่านถ้ารู้ประวัตินะอร่อยลงโทษคนเหล่านี้ให้มล า, ายิกามาองเดียวมาพลิกแผ่นดินเอาข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบ น, งบนลงข้างล่างน้ํามันเค็มจัดทีนี้แล้วก็ต่ําที่สุดลึกที่สุดแล้วก็น้ําไปสี่ปีนองผมไม่เคยไปนะแต่ว่าเขาว่าแอลกอฮีไปนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ได้ใช่ไหม สูสีพิมพ์ไทยจะลงประจำเลยแต่ที่ไปที่มาก็มันก็คือคนชั่วตรงนั้นฮอโมเซ็กชวลในกรทอมมีไหมในญี่ปุ่นมีไหมในอเมริกามีไหมในลอนดอนมีไหมมีหมดนี่อัลลอฮ์เนี่ยทําไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษอายะอ่านกูอ่านต่อไปอัลลอฮ์เล่าให้ฟังฉันประวิงเวลาเอาไว้ไม่ลงโทษคนเหล่านี้ประวิงเวลาสมัยนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นสมัยที่ดีที่สุดนะอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้นะ คนทําบาปคนทําชั่วคนทําบิดะเอาลอว่าเองอยู่ไปก่อนอยู่ไปอยู่ไปเอาต่อมาครับคําว่าอาชัดดูนี่แปลว่าไงนะแปลว่าสาหัสยิ่งหรือว่ารุนแรงยิ่งหนักยิ่งหนักขนาดไหนพี่น้องแล้วก็ถูกทรมานในอาเซอร์อนี่ไม่ตายนะแต่ถูกทรมานบนดุลยานี่แค่ไหน แค่ตายตายจบแค่วิญญาณออกออกจากร่างจบยกตัวอย่างพระยาฟาโร่พระยาฟาโร่เนี่ถูกลงโทษบนโลกดุนยาใบนี้ใครใครลงโทษครับใครเล่นงานสามีตัวเองชื่อฟิราห์ทำไมครับลงโทษทำไมละ่ะพาอไม่พอใจที่ภรรยาเนี่ยมารับอิสลามผ่านนบีมูซารักอัลลอฮ์ผ่านนบีมูซาฉันไม่พอใจฟาโร่ลอการจัดทาลายภรรยาตัวเอง จับคึงแล้วก็ตัวเองเอาหินก้อนโตๆเนี่ยมาต้องการที่จัดอะไรนะทุ่มให้ภรรยาตายภระยาแข่งานหน้าถูกช้ทองฟ้ายาอัลลอ์อิบนียใ <h> ยตันฟ <h> ิลจ <h> ันนะวันอัดจีนีมินฟิรอาวนาะอามลิฮิวันัดจีนีมินเก้ามินรอหรืมินขอโทษอัลลอฮอัลลอ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้ฉันอยู่ใกล้ท่านใกล้คนอื่นไม่เอาใกล้ท่านอินดบตกะ ฟิลจันนะวันัดจีนีปวดคุ้มครองฉันอย่าให้ฟาโรห์ได้ทำอะไรกันแล้วก็กลุ่มชนที่ที่ที่ที่โง่โงเง่าเลลาให้ออกหาก่างกายเอา ล, ละเอาวิญญาณของนางออกก่อนแล้วก็ทุ่มที่หลังเจ็บไหมไม่เจบ็บนี่เอา ล, ละคุ้มครองฉะนั้นลงโทษบน บ, นบุนยานี่ยนะเบาแค่วิญญาณออกจากร่างจบแต่ในอาเคโรไม่จบใช่ไม วิญญาณไม่ออกาก่รากด้วยถูกทรมานสม่ำเสมอสม่ำเสมอสม่ำเสม อ, สมมสมอพอหนังเนี่ยมันไหม้ดีบัดดันนายูลรูดนันลอยระหูอลัลลอ์เปลี่ยนหนังใหม่มาให้อีกแล้วก็เจ็บอีกตลอดการไปเลยนอัสซุบิลเปนว่า อ, อย่าให้ถูกลงโทษในโลกอาคือรอเลยนะมันหนักนะฉะนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองซะวันนี้เข้ามาห า, าศาสนาของอัลลอฮ์ดีกว่าเอาสุนนะของท่านนาบีนในการ เดินในการนอนในการนั่งเข้ามัสยิดออกมัสยิดเข้าบ้านอยู่กับลูกกับเมียทำงานให้ AH อัลลอฮ์พอใจพี่น้องอ้าต่อมาครับอายาที่หนึ่งอยี่ดอาฟาลัมยาดีลาหุมกัมอัฮลักนากอบลาหุมมินัลกุรุน ย่ำชูนาฟีมาซาคินิฮิมอินนาฟีザลิกาลายาติลิอุลินุฮะอัฟลัมยาดิลาหุมกรมอลักนากวบลหุมมินัลกุรุน ย่ำชูนาฟีมาซาคินิฮิมอินนาฟิดะลิกะละอัยติลลิอุลินุฮะอัลฮะมดุลลอ l ละอั l ลอฮฺอัลกุบะต์ยิ่งใหญ่คุรานแต่ละวร์แต่ละอายะนมีความหมายหมดเลยครับอ้าวดูคุราอฟลมยดิล อาฟารัมยาดีละหุมยาดีฮิดายะแปลว่าทางนำยังไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขา่าแก่พวกเขาดอกหรือยาดีแปลว่าประจักษ์ชัดชี้ทางนำให้เข้าใจยังไม่ยังยังไม่เป็นที่เข้าใจยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือยังไม่เคยเห็นดอกหรือพูดง่ายๆอ่ะ โอ้ชาวอาหรับเอ๋ยที่แอนตี Muhammad, ้นบีมุฮัมมัดแอนตี้อิสลามแอนตี้กูนอานนี่พูดอัลลอฮฺประทานเ น, นี่ยลงมาหานาบีมุฮัมมัดให้กับชาวมักกะให้นบีสอนชาวมักกะที่แอนตี้มุฮัมมัดที่แอนตี an, ้กุนอานแตนตี้อิสลามเนี่ยอัลลอฮฺบอกวะ่าพวกชาวมักกะเอ๋ยคุณไม่เคยเห็นหรือไม่เคยสังเกตหรือยังไม่ได้รับทางนำอีกหรือ ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งกับพวกท่านหรือกรรมอหัตถนามิงกรมอหัตถนาก็บรรลุมมิโนงกุรุนกุรุนเนี่ยแปลว่ากี่ยุคกี่สมัยอ่าแปลว่าอะไรนะอ่าชั่วคนอ่ากี่ชั่วคนมาแล้วกี่ร้อยปีผ่านมาแล้วกี่พันปีผ่านมาแล้วเนี่ยคนตรงนั้นมีไหม มีขาตายหมดแล้วนะมันก็ถูกถูกทำรอดตายหมดแล้วกัมอาหลักนากี่ชั่วคนมาแล้วที่มาก่อนหนะ้าพวกเขาแล้วนั้นเราได้อาหลักนาเราได้ทำลายอาลัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีบอกกับชาวอาหรับที่แอนตี้อิสลามที่ไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดเนี่ยคุณสังเกตบ้างหรือเปล่ามูชนที่อยู่ข้างๆคุณนั่นแหละ เดินทางไปหน่อยก็พบอย่างเนี้ยอย่างของเราเนี่ยเกิดลงโทษครั้งที่แล้วนะที่ซีนามิที่ไหนนะที่ปูเกีตกับอะไรนะที่ปูเกีตใช่ไหมที่ปูเก็ตอันดามันนี่นนะ mm. เคยไปป่ะไปประจำ <c oughs> ได้ข้อคิดอะไรบ้างตรงนั้นน่ะ <c oughs> นี่อันล่าก็เตือนชาวมาราบเองนะแอนตี้มุฮัมมัดไปเถอะ นบีฉันก็คนส่งมาน่ะให้เชื่อนบีเปมาลแอนตี้มูฮัมหมัดทไมไอแอนตี้มูฮัมหมัดไม่เอาอิสลามไม่เอาคุรานมูชนที่อยู่คุณนี่น่ะเป็นไงนะยามชูนาฟีมาซากินีหิมพวกเขาแล้วนั่นเดินสัญจรไปมาฟีมาซากินีหิมที่อาศัยของพวกเขาคุณเดินพ่างก็อยู่แล้ว เดินผ่านเมืองของเขาเดินผ่านประเทศของเขาเดินผ่านบ้านช่องของพวกเขาเวลาคุณไปค้าขายที่ประเทศชามประเทศซีเรียน่นะคุณไปจะมกักกะใช่ไหมจะไปค้าขายที่ประเทศชามิยกตัวอย่างคุณต้องเดินใช่ไหมน่ะขี่ม้าบ้างาขี่รถบ้างขี่ลาบ้างขี่อูดบ้างต้องเทินต้องเดินผ่านหน้าบ้านเขาเมืองของเขาถิ่นที่อยู่ของเขา ซึ่งคนเหล่านี้ถูกอลัลลอฮ์ทำลายไปแล้วเพราะอะไรครับก็บเพราะไม่เอาศาสนาไงเพราะแอนตี้อิสลามไงทุกนายุคทุกนบีอลัลลอฮ์ยังนี้หมดอาดับเอ๋ยลืมหูลืมตาได้แล้วคุณเดินผ่านสถานที่ของคนที่ไม่เอาศาสนาที่มาก่อนหน้าผูกคุณนั้นอลัลลาคนาเราได้ทำลายพวกเขา คิดว่าทํำลายแล้วจบหรือไม่จบครับเขาถูกลงโทษอยู่ในสุสานวันนี้อยู่ในัลลัมบันซักนะถูกลงโทษตุวันตุววั น, ว น, วนเช่นฟาโร่เนี่ยคนที่ตาในซึ่นมิมเท่าไร่วันนั้นที่ชายหาดที่แก้ผ้า น, น้อนตายอยู่ น, ะ น, นยยั่นเะอาเท่าไรนะ่ะคนแล่านั้นนะมอยากคิดว่าตายแล้วจบนะถ้าหากใครที่เป็นมุมินตายเขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ถ้าเป็นคนที่แอนตี้อิสลามวันนั้นนะ่ะนะ ขณะนิ้ตาอยู่ในอัลลัมบัตซกนักถูกลงโทษตัววันนี่เอาล้อเตือนฉะนั้นคุณอ่านอ่านเปน้องครับเอาล้อดีมากๆเลยฉะนั้นยัมชูนาฟีมาซากินีหิมพวกเขาเดินสัญจรไปมาอะลาฟีมาซามาซากินมัสการบวาที่อย uh ู่อาศัยคุณเดินผ่านหน้าบ้านเขาตุววันตุววันตุววันตุกวันคุณไม่ได้ข้อคิดอะไรเลย ฉะนั้นพี่น้องไปไปเที่ยวที่ไหนนะภูเก็ตอ่าไปเที่ยวภูเก็ตเราก็ไปเที่ยววีน่าอีกล่ะที่ที่ที่ที่ภูเก็ตมันถูกอะไรนะถูกสุสานมิโอโหหนักไหมหนักมีเรือข้าวอยู่ข้างบนใช่ไหมล่ะนึกสินี่มาไดกันสักหนาที่นั่นได้ข้อคิดอะไรบ้างแสดงว่าที่อัลลอฮ์ลงโทษตรงนั้นอ่ะเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เอาศาสนาเตือนกันเอาต่อมาครับ อินนฟิลิกาลายาสและอายาตเป็นพระพจนธแท้จริงในนั้นมีสัญญาณหลา ย, ยาเห็นไหมพี่น้องไม่ใช่อายาเดียวนะมีหลายสัญญาณจะนั่นคนที่คิดออกคิดเป็นก็คือคนที่มีปัญญาที่อรลัน์ให้ปัญญากับเขาฉลาดคนฉลาดมองได้หลายหลายสัญญาณ คนที่ฉลาดน้อยก็มองได้สัญญาณเดียวบางคนมองไม่ออกเลยอย่างไปทีเต้นสีได้อะไรบ้างได้อ่นหนังสือเพมบนเก้าอี้ไม่จมน้ำได้อย่างเดียวแ้าอีหลายๆข้อนึกไม่ออกฉะนั้นอินนาฟีซาลีกาลายต์ที่ไหนก็ตามที่ท่านพี่น้องเดินผ่านไปแล้วไปพบเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์เนี่ย ถูกทำลายถูกทำลายถูกทำลายถูกทำลายได้ข้อคิดอะไรบ้างคุณอานบอกไงนะลิอูลินนูแฮสำหรับปวงชนผู้มีปัญญาเห็นไหมคนโ ง, โง่โงไม่ได้อะไรเลยได้เสียสตังกับเซตขนัดนี้จ่ายตังไงเซไปแล้วเท่าไรแปดหมื่น <c oughs> แล้วได้ปัญญาไหมไม่ได้อะไรเลยบางคนก็ได้บางคนไม่ได้แต่อลารต้องการจะชี้ว่า คนที่มีปัญญาท่นั้นที่จะได้ข้อคิดจากรกานที่เกิดขึ้นคือน้องครับอ่านกุ้อ่า น, านได้ความรู้เยอะเอาอ่านใหม่อาฟาลัมยาฮดีลาฮุมยังไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดยังไม่ใช่เป็นเป็นอะไรเป็นการชี้ทางนำให้พวกเขาดกหรือกรมอาหลักนากบลาฮุมมินอลกูรุจีชั่วคนมาแล้ว คนที่มาก่อนหนะ้าพวกเขานั้นเราได้ทำลายพวกเขายัมชูนาฟีมาซากินิเฮมพวกเขาเดินสัญจรไปมาบนที่อาศัยของพวกเขาคุณเดินผ่านทุกวันได้ขอคิดอะไรบ้างนะต่อมาครับ เห็นกับตาเป็นอนุสรณ์ของภูเขาเช่นพวกอารสมุทตตรงนั้นน่ะเป็นถิ่นที่อยู่กับพวกอาจอาจสมุทตทั้งหมดแต่แลละอยู่ในกลุ่มอาหรับหมดเลยเนี่ยคนที่ไม่เอาศาสนาน่อยู่ในกลุ่มอาหรับทั้งหมดนะเอาต่อมาครับอินนฟิเรลิกายาแท้จริงในนั้นมีสัญญาณหลายอย่างลิวลินหฮวสำหรับปวงผู้มีปัญญา อัลลอฮฺอักบัเอาเราอยากมีปัญญาไหมที่อัลลอ์ชมมีปัญญาก็ต้องศึกษาหาความรู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับอัลฮัมดุลิลลอฮัมดุลาตอมาญาติหนึ่งสองเกครับโวลูลากาลิมาตุนซาบักตมิรรับบิกาลาคาลิซามะวะจัลุมมุซัมม والاول كلمة سابقات من ربك لكان لزاما وأجل مسمى الحمد لله ah ok, a ายานี้ Allah ต้องการจะบอกว่าเตือนพวกเราอย่าเครียดอย่าเครียด คนที่มีศาสนานี่เตือนคนมีศาสนาว่าอย่าเครียดนะทำใจสบายๆดูคำแปลว่าลาลากาลิ ม, มาตุนและถ้าหากไม่ใช่เป็นการลิขิตจากพระผู้อภิบาลของท่านหมายทาว่าาหางอลัลลอ์ไม่ทรงกำหนดหรือไม่วางกฎไว้ก่อนกฎของอลัลลอ์ที่วางไว้เป็นอย่างนี้ ในยุค ข, ของนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะคนทำความผิดคนไม่เอาศาสนาคนเอะทรยศต่อคำสั่งของอลัลลอ์เนี่ยอลัลลอ์ยังไม่รีบลงโทษนี่กฎที่อลัลลอ์วางไว้อย่าเครียด <c oughs> บางทีเราเห็นอลัลลอ์นี่คนนี่มัเล่า ก, ก็กินดีนา่าก็ทําขโมยก่ขโมยโกงคอร์รัปชันสารพัฒนี่อย่งางคาริลซีพิมที่ออกไวๆเนี่ยมือล้าน รวยโกงอีกเต็ไมไปหมดน่ะทำไมอัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษล่ะอ่ะก็เล่าให้ฟังอ่ะอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษในยุคของนบีมุฮัมมัดนี้คนที่ทำอะไรเกินขอบเขตทำอะไรผิดไม่เอาศาสนาเป็นคนกาเฟปตปฏิเสธอิสลามฆ่าฆ่านาบีฆ่ามุสลิมไปขุดน้ำมันของอิรกักแล้วขนกลับบ้าน มันจะจายค่าทัา้งสักอย่างหนึ่งประยุทธ์ประเทศอะไรนะอุปกรณ์ยสถานค่าพิณองมุสลิมเต็มไปหมดแล้ววันนี้ทุกประเทศมุสลิมถูกเข้นก่้าหมดเลยเราเห็นเราก็เครียดคนไม่เอาศาสนานะถูกอะไรนะเล่นงานพิ้องมุสลิมวันนี้นนี้อัลลอสั่งนะถ้าหากฉันไม่กําหนดนะครับบทบัญญัติไว้ก่อนล่วงหน้านะว่าฉันจะไม่ลงโทษคนที่ไม่เอาศาสนานี่นะ ลากานาลี za มันแน่นอนการลงโทษจะต้องเกิดขึ้นทันทีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่อลัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ไม่ให้เกิดเนี่ยถ้าอาลัลลอฮ์ไม่กําหนดเอาไว้ก่อนเนี่ยนะใครทําผิดถูกเล่นงานเลยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บใครขาดะมาดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปใครทําดีนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่นี่อลัลลอฮ์ไม่ลงโทษน่ะนักเรียนขาดะมาดอ่า ครูก็เล่นงานอันนี้อลัลลอฮฺเมตเตตาแน่น น, นส่งคนมาตักเตือนใช่หมแต่คนที่ไม่เอ า, าศาสนาจริงๆวันนี้อัลลอไม่รีบลงโทษเพราะอะไรครับเพราะอัลลอได้วางกฎเอาไว้แล้วก่อนที่จะสร้างโลกใบนี้มานะครับว่าอาจาุ ม, มุซัมมาและได้มีระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ว คือระยะเวลาการลงโทษอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วก็คือหลังตายในอัลกุรอานระยะอื่นอธิบายยานีว่ามากกนะมอัลซิบบะฮุมบะฮุมยัสยตัฟิรูนคนในยุคของดบีมุฮัมมัดนี่นะอัลลอฮ์จะไปลงโทษคนที่ทำผิดนอกจากมันหนักหนักจริงๆกันลงบ้างอย่างเซอร์นามิงานเล่สักทีหนึ่งตุ้มโอโหลตายเป็นล้านนอกจาก ขณะที่มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งกำลังเดินตะว่าอยู่ที่ไบตุลโลอาวะหุมยาสตั๊กพิรุณเขาวกาลังขออภัยโทษต่อรอเขารอจะาปวดอภัยโทษในความผิดของฉันไวเ้เถอะพินตับซิดอ ธ, ธิบายว่าคนกลุ่มหนึ่งกําลังเดินต่วาาอยู่ที่ไบตุลโลคนที่ทําผิดในฮ่องกงคนที่ทําบาปในเลบานอนคนที่ทําชั่วๆในกทมคนที่ทําบาปอยู่ในพมา่าในอังกฤษ อัลลอฮฺประวิงไม่ลงโทษก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้พวกเราที่มีศาสนาวะเนี่ยไปสอนกขาบ้างสิกลับตัวเลยเลิกเธอหันมาเรียนศาสนากันดีกว่าพวกเราจะได้มีงานทําถ้าอัลลอฮฺลงโทษแหละจะไปทํางานเสียหลายตกงานนี่ขณะอัลลอฮฺเปิดโอกาสเนี่เรายังไม่ช่วยกันเลยแกนักขอาทุอางยังสาบแช่งยังด่ากัอยู่นั่นมุฮัมมัดเอ๋อจงอดทนนะแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเลยนะ ค่อยๆเตือนเขาสอนเขาบอกเขานี่เป็นให้มาที่อัลลอฮ์วางไว้อ่านตัวลงว่าอัลลอฮ์กำหน ด, ดเอาไว้นะไม่ลงโทษคนในยุคนี้ทันทีทันใดคนที่ทําผิดแต่อัลลอฮ์ให้น บ, บีมุฮัมมัดนั้นทําหน้าที่สอนศาสนาต่อไปเอาต่อมาอายาที่หนึ่งเท่าไหรนะก็ดีเขาว่ามีอยู่สามกลุ่มนะที่ว่าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษมีอยู่สามกลุ่มหนึ่งกลุ่มกาเฟ ที่ปฏิเสธอิสลามเลยนะสองพวกทําชิริกอ่าอาลัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษกลุ่มชนที่ไม่มีศาสนาอาลัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษวันนี้ให้ทําให้นบีสอนสอนนรินานบีไม่สอนแล้วใครสอนสอบาสอนสอบาไม่มีแล้วใครสอนอุลมามะสอนแล้วก็พวกเราวันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลศาสนาของอลัลลอฮ์ผลบุญเยอะมาก ทำให้คนเข้าใจาศาสนาในผลแลบุญเยอะมากนะเอาเอาให้ภรรยาเข้าใจก่อนแล้วก็ลูกเข้าใจาศาสนาก่อนอัลฮัมดุลิลละอาคนในบ้านแล้วก็ริมๆอย่าลืมนะงานาศาสนานี่คนมันไส้มากที่สุด <c oughs> มึงจังมาสอนกูดูเมียมึงก่อน <c oughs> พุ่นให้ออกเรามึงยังมาสอนกูดูลูกมึงสิอย่ากระโจน <c oughs> ทุกดากับมาฉะนั้นต่อรอพี่น้องครับนี่ไงเอาลอดทษส่อหัวใจหมดเลยออาต่อมาอายที่หนึ่งร้อยสามสิบฟัสบิรัลามายากูลุนอัลลอฮุอัยวับสบิหบิฮัมดิรับบิคัคับละตุลูอิชัมส وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهر لعلك تربو الله أكبر อ้าวอันดีเท่านี้ฟ س ซ ب ي ر عَلَى ما يقولون ว a บพิษบิ حمد ิรับ a ิค قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آ ن ا a b ل ل ي ل فسبح وأبرأ فنهر لعلك تربى อาย่านี้มีส i มประเด็นอ่ ประเด็นแรกต้องการจะบอกว่าเมื่อไม่มีการลงโทษกับคนที่ปฏิเสธอิสลามกับคนที่ตั้งภาคีกับคนกลุ่มชนที่ไม่เอาศาสนาในเมื่ออัลลอฮ์ไม่ลงโทษล่ะต้องการจะบอกว่ามุฮัมมัดเอย๋ยฟัสบิรจงอดทนต้องอดทนนะ่ะคนที่สอนศาสนาถ้าไม่อดทนไม่ผ่านเหมือนกันนะ่ะ พ่อแม่ที่มีลูกลูกไม่เอ า, าศาสนาเนี่ยพ่อแม่โวยได้ไหมล่ะไม่ได้ต้องอดทนน่ะต้องอดทนเตือนแล้วลูกๆนมาโซโบสิบเที่ยวมยังไม่ตื่นเลยทําไงเผาอะ่ะก็ต้องอดทนก็ขออธิฐานตลอดไปปลูกมั่งอะไรบ้างนะบิสมอมาว่าก่อนนอนต้องประชุมกันก่อนนะต้องประชุมกันคุยกันก่อนเนี่ยคืนนี้จะนำมาโซโบไหมพระพุทนเจ้าอะประชุมกันก่อนใครจะกันปลูก แล้วเลยไม่แค่พวกแม่น่ะปลูกอยู่แล้วน่ะอ่าประชุมเองปลูกได้ไมั้ยขับขับขับเราก็ต้องปลุกมันแหละต้องอดทนหมดแต่ยิ่งกลุ่มใหญ่ๆอ่ะเนี่ยกลุ่มกาคาเฟ่กลุ่มมูชริกกลุ่มชนพู้มีวิสัยทัศน์รวยหมดพวกนี้อ่ะแต่เตือนมันได้ไหละอ๋อคนจะไปเตือนมันก็ต้องอาเลมด้วยนะต้องรู้ภาษาอาหรับดีอังกฤษดีโอภาษามายูเก่งต้องหลายๆภาษาที่ไปคุยกับมันอ่ะ นี่ไงต้องฟาสบตต้องอดทนหมดเลยมุฮัมมัดเ อ, อ๋ยจงอดทนทีนี้คนที่แอนตี้อิสลามเลยนะพูดใส่ร้ายอีกล่ะอย่างนาบีมุฮัมมัดเนี่ยถูกดา่าถูกตำหนิสามสามภาษาหนักหนักนะว่ามุฮัมมัดนะหนึ่งสาเหตุเป็นอะไรนะเป็นที่นำเอาคุรานมานี่นี่ไม่ใช่คุรานเป็นมายาก ก็ได้นะเป็นบทกลอนกวีอ๋โอโลมอมมาเสียใจอะ่ะฉันรับวะฮีมาขึ้นบนภูเขานะั้นหนักแสนไหนแล้ววะฮีมาแต่ละครั้งนี่นะั่งเหงื่อออกอะ่ะนับมีซ า, าบ้านะบีนั่งทับขานาบีอยู่เนะี่ยนักนบีนั่งทับขาอยู่ตอนวะฮีลงมาเนี่ยขาเกือบขาดนะ่ะมันหนักพอมาสอนกูไม่เชื่อนี่มันเกนี่มันกลอนในบทกลอนอา้าวเห็นไหม ข้อที่สองนบีเป็นซาฮิตเป็นมายากลพวกหมอดูพวกสยาศาติดาาบีแล้วก็อีกข้อหนึ่งกา้าดิบนบีพูดโกหกสามสี่ประโยคนี้พูดเข้าหูนบีทุวันทุวันทุวันทุวันทุวั น, วนอย่างวันนี้พวกเราที่สอนอาซูนาไปสอนคณะใหม่โอ้เราอ่านทนดิสรมตายอะไปสอนในคณะใหม่พูดประสานายุวโกมูด ผู้ภ า, ามาัาฮับีอัลลอฮ์เราอ่านกู ร, รอ่านร่งตายอ่านทัดิษพยายามเช็คขัดีษิษตกบุคอลีมุสลิมตรงสหตดูนะพระออาไปสอนข้าก็ดามาสามสี่ประโยคหนักครับพี่น้องทั้งหลายน บ, บีถูกมาแล้วฉะนั้นอัลลอฮ์เลยสั่งฟาสบิรอลามายากูลูนดังนั้นมูฮัมหมัดเอ๋ยจงอดทนต้องมีขันติธรรม ต่อที่พวกเขาอยากูลุ้นที่พวกเขาพูดต้องวงเล็บดูนะพูดใส่ร้ายพูดดา่าแต่กูอ่านไม่เล่ามชไหมเล่าเฉพาะเขาพูดแต่พูดอะไรละ่ะพูดดีจะพูดไม่พูดไม่ดีส่วนใหญ่พูดไม่ดีเห็นยังครับท่า น, นคนเป็นมุสลิมที่มีาศาสนาวันนี้บางทีเราไปสอนเขาเดินผ่านหน้าบ้าน ด, านด่าอดทนหมดญาติพี่น้องเราน่ะตัวแสบแหละ เอาอย่างการญาติ น, นบีชื่ออบูละฮับน่านแอนตี้นบีทุกโครงการนาบีจะเดินไปไหนโอ้โหพรายาของอบูละฮับเนี่ชื่ออุมูญามีนเนี่ยมีมีอะไรนะ่ะมีเครื่องประดับที่นี่เน่ะราคาแพงมากเลยรวยที่สุดในโลกอ่ะฉันจะขายเครื่องประดับของฉันเอาเงินนี่มาต่อต้านมุฮัมมัดเห็นไหม นบเรูไม่รู้เครียดไหมเครียดอัลลอ์สั่งเนี่ยฟาสบิรฮ่ามาย่กูลุดมาเอ๋ยจงอดทนนะครับต่อที่พวกเขากล่าวใส่ร้ายอดทนอดทนไว้ก่อนและยังไม่พอให้ทำงานต่ออีกวสัส บ, บิเอลอัลลอฮุอะกบรคนเครียดเครียดอดทนอย่างเดียวไม่พอนะต้องอาศัยอัลลอฮ์ด้วยนะ วาซับเรียมาจึงจงสรรเสริญสะดุดีให้ชมอัลลอ์บางบางคนอธิบายอย่างนี้ให้นามาซับเรียมาจึงอัลลอฮ์นามดาด5เวลานามาสุนัทด้วยฉะนั่นเวลาเครียดมาเข้าหาอ AH ัลลอฮ์โดยการแปลงฟันอาบน้ำนามาแล้วก็ไปนามาเครียดเครียดมาจะหายนี่อัลลอฮ์สั่ง่าวาซับเร จงอะไรนะจงสะดวดีบีฮัมดิรอบบิกด้วยการสรรเสริญพระผู้อาภิบาลของท่านอัลลอฮหอักุบัตนี่อัลลอฮสอนเวลาทำงานศาสนาเครียดเครียดถูกด่ากลับมาอบ่าไปโต้อตอบให้ทำไงนะมาอาปแปลงฟันอาบนมละามาดแล้วมาตัสบีสรรเสริญขอบคุณอัลลอฮุ س ب าน ن ه และุทา ต้องกักกุนอานในสุราภกร์วัสตายนูบิสโบริวสัสโซเาทั้งหลายเวลาเครียดมีปัญหาจงขอความช่วยเหลือผ่านการอดทนวัสตายนูบิสโบริพี่น้องต้องอดทนเอานาดีนัวอดทนมากี่ปีสอนศาสนา950ปี เก้ายห้าสิบปีอายุคนสมัยก่อนน่ายากว่นนานานไหนได้คนเอาศาสนากี่คนเจ็ดสิบคนแปดสิคนตอนเคลื่อนเรือนะรู้โอัลลอ์แค่นี้เองเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็ที่เหลือตายหมดอ <c oughs> เอาะวัสบียนอาเลฟัสบียนอาเลมายากูลอัลลอฮ์บอกมฮัมมัดเอ๋ยฉันจะไม่ลงโทษคนที่ไม่เอาคำสั่งของท่าน ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนนะของท่านเนี่ยท่านต้องไม่พอใจแน่ๆฉะนั้นท่านอดทนสิ่งที่เขาด่ามาอีกตําหนิมาอีกใส่ร้ายมาอีกอดทนเอาไว้แล้วทำํำไงอีกว่าซับเบียจงนามาจงสารเสวนสตุดีพระผู้อภิบาลของท่านเอาต่อมาเนี่ยวักต่อมานี้เป็นเวลาหนามาเวลานามาบางคนถามว่า เวลานามาในคุรานไม่ได้บอกซุบโบนามากีโมงมักริบนามาจีโมงไม่ได้บอกเพราะว่าบอกอายานี่บางทีอ่านก็มึนกอบลาตูลูไอชามซีก่อนตะวันขึ้นาให้นามาก่อนตะวันขึ้นอา้าก่อนตะวันขึ้นเวลาอะไรเราซุบโบนี่ย น, นี่นี่นี่นเวลานี้แหละนี่นะภาพในสวรรค์ แบบนี้อากาศอย่างนี้ตะวันขึ้นเล็กๆในโนอเนี่ยในภาพในสวนสวรรค์ฉะนั้นกอบลาตัลูกอิชามก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้นให้นามาตสุโบในกําหนดเวลาอย่างนี่ยกําหนดแล้วไงจะต้นอย่าไปพูดว่าอาลัลลอฮฺไม่ได้กําหนดเวลานามาตเอาไว้นี่างานกหนดแล้วฉะนั้นให้นามาตก่อนตะวันขึ้น ว่าพ b เบล่ากูรูบิฮะและก่อนตะวันตกนั่นหมายถึงอะไรกตะวันตกมีทางมะเร็มีทางอัลซูรีใช่ไหมอัลรอัลรกับซูฮอก่อนตะวันตกเพรามร็งมันต้องหลังตะวันตกเห็นไมกบลูบิชกบละรูบิฮะตะวันตกก็มีสองเวลาซูฮอดกับอัลรสามแล้วเอาตมา ว่ามิณนนาอิละอและบางเวลาในเวลากลางคืนบางเวลาในเวลากลางคืนอุลมามะอธิบังไงรู้ไหมแ้าว่านมาฎมะรีบกับนมาฎอิชาครบยังครบแล้วก่อนตะวันขึ้นสุบก่อนตะวันตกมะริบไมใช่ อัสรีกับซรีแล้วนะอ่าอิละยและบางส่วนของกลางคืนนมาดมรีบกับอิชาอัลล์ห้าย่างกหนดอย่างทีละกำหนดแล้วเวลานมาดในในคอมพิวเ ร, ราอานเอาต่อมาวอวฟ้บบ ah. าซาบอัลล์จงนมาดอีกจงสรรเสริญอีกสะดุดดีอัลลอ์อีก ว่ออร้นนะฮและปลายทั้งสองของกลางวันปลายทั้งสองของกลางวันอธิบายยังไงบางคนอธิบายว่านามาซูบโบกับนามาสมกริบคือเป็นอย่างนี้นามาสูโบกเนี่ยมันมันครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะ พ, พ, พ, พ, พอพอตอนบ่ายแต่มันครึ่งวันแล้วต้องการจะอธิบายว่าปลาย ปลายๆขอมันหมายถึงตอนต้นๆของต้นของของของต้นของอะไรนะต้นของของของของเวลากลางวันก็คือตอนตอนสุโบโแล้วก็ต้นของตอนอกลางกลางคืนก็นามาตอะไรนะนมาตมะรีบสุโบโกับมะ ร, ริบถูกลงว่าในในอะไรนะในคัมภีร์คุรานเนี่ยอธิบายเรื่องกําหนดเวลานามาตเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะเอาต่อมาค่ะฮะดิสเป็นอย่างนี้ ขดีนบีอัลบายนะบอกว่าอิมามอาับ ด, ดุละานบอกว่าอนอุมีรบินรุรอบะลาสามอลมตรัสูลลลอฮ์ยินท่านนาบีสอนบอกว่าไม่ลยลิจันนรออาฮัดุนไม่มีใครตกนรกพอฟังแล้วชื่นใจนะไม่มีใครตกนรกคนที่ซลกลตลอิ ช, ชมัมซวกบลกรูบิฮคนที่นมาด ก่อนตะวันขึ้นและก่อนตะวันตกคนที่ตักษานามานเนี่ยนะ ไ, ไม่ตกนรกอ้าวตัวล้มก็มีอยู่ทางรอดอยู่ทางนึ่งนะใครที่ตักษานามานให้ครบวันแล้วนี่ละก่อนตะวันขึ้นอ้าวก่อนตะวันขึ้นนะรั้ว ม, มาถึงนามานเลยละ่ะนามานตหารหยุดมีไหมมีอัลลอฮฺอัลกุบะด์ข่าอาณาอิลเลเนี่ยนะอธิบายยังไงนะอ่านคู่น่าอานซิกรูลลอด้วย อั Akbar, ลลอฮขึ้นมาเนี่ยอย่างนี่บางคนตื่นตีสี่ใช่ไมตีสี่ครึ่งนี่ได้เยอะนะตีสีครึ่งกได้น้านามาได้นะแด้น้ำมาตะหัดหยุดอย่างน้อยสี่เราก็อาจวิเต็ดอีกสามนัง่งยืกรุลล่ลอดสักสิบนาทีหลามดลิลเนี่ยอาณาอินไล่กลางคืนบางส่วนของกลางคืนรูขึ้นมาทําสัมเบียมาสรรเสริญอัลลอฮมาขอบคุณอัลลอฮพี่น้อง แล้วมาสยุดมานมามตามที่เราอาจจะแนะนำ้นับอัลกุรอานจากนั้นคนที่นาฏเนี่ยนะอัลลอ์สัญญาว่าไงนะจะไม่ตกนะรกอัลฮัมดุลิละอาวต่อมาอยายที่หนึ่งสามหนึ่งอันนี้อัลลอ์สั่งดีมากเลยนะวลาตามุด <ess> ันไนไนกะอิลามมัตตานาบี อาจว่าจำมินหุมทรัพย์ทางชีวิตดุ n ยาลีนั่ฟต์นั่มฟีวริสุครับ k ิคข้ายรูและบุคอและทม d ดนนัยนิคิลามะ a ัตตานาบิ อ้วจำมินหุม زهرة แห่งชีวิตโลกลีนั่ฟตินหุมฟีวอริสุครับบิกขัยรุ่งและบุคคลาอัลฮัมดุลิลล l ฮ์นี่อัลลอฮฺสอนให้ระวังตัวให้ระวังตัวเองให้ดี ะระวังยังไงเาลาสอนนะครับเวลาตะมุดดันไอไนก์ก์าอนุนบวตาไอไนก์กสองตาของท่านจงอย่าทอดสายตาทั้งสองของท่านอย่าไปมองมองผ่านๆ น, นะได้มองอยากได้อย่าอย่าีคอนเรามีสิทธิ์แค่เดินผ่าน รับไปจ่าย ส, สตางอย่าเป็นนึกเป็นเจ้าของเอาล่ะนั่งเครื่องบินอยากเป็นเจ้าของเครื่องบินท่านมีสิทธิจ่ายค่าตั๋วเดินทางพอแล้วอย่าเป็นนึกเป็นเจ้าของเลยเห็นดาราก็เดินแก้พ้าอยู่อย่านึกเป็นเมียเด็ดขาดเลยนะพาลงนรกหมดนี่เพราะใจเราู่เขาไม่ได้เรา อเรามาใจาอยู่กับอลัอลลอฮ์อัลลอ์เขาเาอยู่กับชัยตอนทั้งวันร้องเพลงดีงกลิง่งดานซิงอยู่เข้าไวอ้อ่ะแค่นั้นเห็นอะไรก็าตามบนโลกดุนยานี้ที่อลัลลอ์ห้ามห้ามห้ามห้ามนะถูกใจมนุษย์หมดเลยใช่หรือไม่ใช่ชของที่อลัลลอฮ์ห้ามมาถูกใจมนุษย์หมดเลยใช่ัหมนี่ไปเจอนายตำรวจเนี่ยถูกจับ เงินเป็นหมื่นหมนล้านเราก็นึกโอ้โหอยู่ในะกระเป๋าเราก็ดีนึกใช่ไหมย่าอย่าอยแค่นึกอย่างเดียวพออย่าเอาไปใส่ใจนะนี่เาลาสั่งวลาจะมุดด้านในในกะสองตาเลยนะจงอย่าทอดสายตาทั้งสองของท่านโยจะจ้องมองนะด้วยสายตาของท่านทั้งสองอิละมาต านาบีอจาจาจามินหุนมินหุมอจาจุาจานนี่แปลว่างี้แปลว่าชนชั้นต่างๆของพวกเขากลุ่มชนต่างๆมีกลุ่มกาเฟตมีกลุ่มมุชรุกมีกลุ่มยาฮูดีมี น, สนัสซอรนีมีกลุ่มชนหกลุ่มนี้เนี่ยนะดีกว่าเราตัง้งเยอะดีกว่าในแง่ไหนรู้ไหมในแง่ของวัตถุ ดีกว่าเราในแง่ของวัดโยอย่างเดียวมีเงินเยอะอย่างเดียวแต่ว่าอีมานเนี่ยมีไหมไม่มีรู้จักอา ล, ล้อไหมไม่รู้จักรู้จักมาลายกาไหมไม่รู้จกรู้จักวันเตียมะไหมไม่รู้จักรู้จักเวลากลางคืนไหมไม่รู้จักทาอะไรตอนกลางคืนทําไม่รู้จักผมเดินผ่านตรงเนี้แต่หน้าอะไรนะตรงนี้คืออะไรนะยงเจริญเนี่ย พนก็มองนะผู้หญิงกาเฟ่เนี่ยไม่รู้จักคาว่าเอารอจริงๆเลยนะค้าออนตัวเองยังไม่รู้เลยไม่ค้าออนหรืออะไรอะ่ะเปิดค้าออนนะ่ะไอ้คนที่เปิดค้าออนเดินน่ะมันเย็นแต่ไอ้คนดูน่ะมันร้อน <c oughs> อ้าวใช่เนี่ไม่ใช่ใชอะ่ะร้อนไปหมดเลยโลว์อักมรแต่อัคยาเนี้มามาฟักฟัสบิร์อะลามา ยัฟอารูณจงอดทนในสิ่งที่เขาทำไม่ใช่พูดแล้วไอ้พูดอนะ่ะอย่างหนึง่งนี่เขาทำเขาทาไม่เห็นนะ่ะเอาลอต่อหน้าต่คงตัวครูมันเดินผ่านแก้ผ้าเราก็นึกอัสตกฟิรุลละลแล้วะะไงกม้มเมียที่บ้านสวยกว่าตังเยอะตอนนึกแบบนี้นึกอย่างอื่นยังไงอ่ะ อ้าวมีเล่าให้คุณเธอฟังนะอยู่บนดุนยานี้ต้องอดทนหมดเลยแล้วก็เอาล้อสั่งนะวลาจะมุดนายในกะอิละมามัตตานาบีอัลฮาจมินหุมจงอย่าจ้องอ่าจงอย่ามองจงอย่าทอดสายตาของท่านทั้งสองไปยังหมู่ชนต่างๆมีอะไรบ้างมุชริกาเฟตมุนาฟิกยาูดีนสรณี ที่พวกเหล่านี้เป็นปฏิเสธอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะเราได้ <Allah S 1> มัตตานาบีนี่อัลลอฮ์เองนะ <Allah. S 1> เล่านะเราได้ให้พวกเขานั่นมีความสุขสําราญอัลลอฮ์ให้เขามีความสุขสําราญมีความเพลิดเพลินมีความรุ่นเริงชีวิตแฮปปี้จริงๆอัลลอฮ์ให้เขา มุสลิมทําแบบนั้นไม่ได้เดินแก้ผ้าอย่างเขาไม่ได้จีบก่อนแต่งงานไม่ได้เรามันต้องมีก้าก่อนแล้วจีบกันทีหลังโอ้เด็กงงเลยอ่ะไม่เคยได้ยินไว้เขาต้องจีบกันก่อนอยู่กันก่อนทํำสีนากันก่อนพันครั้งแล้วมีก้าทีหลังทําอายอโลหนะ้าด้านทํำสีนานมาแล้วพันครั้งกับผู้หญิงคนนี้เพิ่งมานิกล้า นาด้านแต่เราพูดตรงนี้นะทีนานนะับพันครั้งหรือห้าร้อยครั้งแต่พยายามมานิกาที่หลังแต่ทำอายอย่าจับยัาถูก mm. นี่ไนงะชีวิตชีวิตอาารของคนเหล่านี้เนี่ยนะอัลลอ์เราได้ให้เขารื่นเริงให้เขาเพลิดเพลินให้เขามีความสุขสำาราญ อ๋อจารตันรตัลหายาติดุ ญ, ญาต่อไปนะความรู้ระแหงชีวิตบนโลกใบนี้เท่านั้นเองเขาหาความสุขกับมนุญยานี้เต็มไปหมดตอนหน้าพวกเราวันนี้พวกเราก็อึดอัดอึดอัดอึดอ้อไคูล ก, กับคุมนักเรียนมึงจะไปนะูจะไปนะก็มันล่ออยู่หน้าบ้านยังงทำไงละ่ะ ก็ต้องอบรมการต้องบอกการต่างฉะนั้นหลายโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนศาสนาไม่เหมาะที่จะอยู่ในกทมต้องอยู่ไหนต่างจังหวัดอยู่ตามภูคงภูเขาเพราะว่าอยู่ตรงนี้แหละอร่อยที่สุดแหละมันจะได้เบรกได้ใช่ไหมะนะ่ะอันนี้ของหรามไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตา่างภูเขาไม่เคยเห็นของหราบไปเจอพัตาบะแตกเนี่ยเห็นทุกวันทุกวันชินเออชินชิดมชิมแล้ว อา랍 บ, บางคนอ่านคุรานพบอยากกินเนื้อสุกรเข้าใจเป๊ะมาเจอเนื้อหมูจริงๆไม่รู้อ้าว เ, เนื้ออะไรวะเนี่ยมันยากผมออเอาข้ามาแต่ได้เล่นเนื้อหมูไปแล้วเพราะอะไรเพราะไม่เคยเห็นเนื้อหมูอย่างพวกเราเนี่ยสบายเนื้อหมูทุกวันเดินผ่านะ ขอบคุณนะก็ที่เราอยู่ตรงนี้และเห็นอะไรต่อเต็มไปหมดอัลฮัมดุลิลลอ่์ต่อมาครับลีนัฟตีน่ฮุมฟีเพื่อเราจะได้ทดลองพวกเขาอัลลอฮ์ท่านั้นเองทดลองพวกเขาให้เขามีความสุขสำราญบนดุญยาใบนี้พอตายแล้วไม่ได้แล้วจบจบจบตายแล้วจบอัลลอ์ให้ก่อนบนบนดุญยาใบนี้ อา้าวนบีสอนอย่างนี้มีอยู่นี่ๆใ น, น, นเรื่องของนบีนะอธิบายอายานี้นะมีอยู่วันไซนาอุมัตเดียวรอันดูไปหานาบีที่บ้านไปเวลากลางวันนบีนอนอยู่บนเสือ่อพอนบีเห็นไซนาอุมัดมาก็ดีใจอ่ะมาเยี่ยมฉันกน็ลุกขึ้นพอลุกขึ้นนั่งเนี่ยเพราะอาหรับมันร้อนเห็นไหมแอร์กม่ ม, มีสมัยก่อนเนี่ยนบีลําบากขนนั้นเห็น ข้างหลังเนี่ยแดงเลยมันจะเสือกกนะเสือกาญจนอินทพาลามมาคิดดูดดข้างหลังนบ่นีเนแดงพืนเลยไซนาอุมัดร้องให้อัลลอฮ์ อ, น ะ, อนะนบีถามอ้าวมัตจะร้องให้ทำไมนบีแฮปปี้ชีวิตนบีปัญหาไซนามัดร้องให้ทาไมไซนาอุมัตพู ด, ดว่ากษัตริย์เมืองกิสรอกษัตริย์ที่ไม่ใช่มุสลิ ม, มันนั้นน่ะมีสามเสกษัตริย์ดังๆอ่ะ เขาอยู่สบายนอนบนที่นอนนิ่มๆอยู่บนฟูกแล้วก็นบีมุฮัมมัดเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้ใช่หรือไม่ใช่แล้วทำไมถ้าอยู่อย่างเงียบโมหะกับว่นานบีบอกโอ้โอมาดเอ๋ยคุณยังสงสัยอีกหรือเลิกสงสัยได้แล้วชีวิตบนดุนยาใบนี้คนกาเฟตอัลลอฮ์ให้เขาใช้ชีวิตให้อิ่มที่สุดบนดุนยาใบนี้ พวกเขาแย่งชิงชิงเอาความอะไรสุกรหามหรืหามก่อนสุขอะไรเนี่ยนะเอาความดีไปใช้หมดแล้วต่นั่นวันกิยามะหลังตายหมดสิทธิ์คนเหล่านี้เห็นไหมนอนนั่นนบีของเรานาบีมูฮัมหมัดนอนบนเสือออ้ามัสรุปอีกหมอได้ได้วิจัยว่าคนที่นอนในที่แข็งแ ข, ข็งนอนดีกว่านอนบนที่นอนนิ่มๆคนที่นอนที่นอนนิ่มๆ ต้องมาหาหมอยุดบีบทีละหร้อหกร้อยดีแต่คนที่นอนที่นอนแข็งแข็งีนะจับหลังไม่เจ็บ Allah, อ๋อหัอากระเปราตื่นตะหัดยุดด้วยไอ้คนที่นอนนิ่มๆเสียสตังเจ็บหลังนำมาตะหัดยุดก็ไม่มีดีอ่ะนี่หมอนะนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยออกมาแล้วอ น, นอนบนที่นอนแข็งแข็งดีที่สุดท่านชีวิตที่ ลำบากลาบากหน่อยนะดีมากมากทีนั่นลูกลูกของเราเนี่ยนะพวกเธอนอนห้องแอร์กันทำอยู่เลยละที่บ้านผมบางทีแอร์เสียผมแก้งแก้งไม่ไม่ซ่อมอาทิตย์สองอาทิตย์โทรศัพท์ไปที่บ้านว่าโทรไม่ช่างไม่อยู่ต้องการให้นอนให้รู้บ้างเออนอนไหมนอนพัดลมร้อนยังไงจะรู้สึกกันบ้างเราทำด้วยความตั้งใจไม่มีปัญหานี่น่ยชีวิตบุญยาเนี่ยนะพี่น้อง ความสุขกว่านี้มีไหมมีแต่เราไม่เลือกน บ, บีไม่เลือกอ่ะน บ, บีเอาเลือกชีวิตที่ไร น, นะพอประมาณน บ, บีสอนนะคนที่มีลูกนะอียะกุมวัลมุตนาอิมีนพี่น้องทั้งหลายจงระวังให้ดีนะอย่าเลี้ยงลูกให้มีแต่ความสุขสุขสุ ข, ส, ขสบายสบายสบายบายสบายใหเงินให้เงินอย่าอย่าอาอยลำบากลำบากบ้าเอาต่อมาครับ ว, ว, บบะวะริษวะริบ Qur'abbika خير و ا ب ق ا และเครื่องยังชีพริสกีน่ะ น, นะอ่าเครื่องยังชีพไม่ใช่เงินอย่างเดียวไม่ใช่อาหารนะอย่างอื่นด้วยเยอะๆเป็นมริสกีนะริสกีอะไรนะของพระผู้อภิบาลของท่านนั้นริสกีที่อยู่ที่พระผู้อภิบาลของท่านนั้น เอยรุนดีกว่ามาถึง ช, ชีวิตในปรโลกนะที่มาถึงปรโลกในอาคิรอนนั้นดีกว่าแล้วก็อยู่ทนกว่าไม่หมดอายุอยู่ไปตลอดอบบอกฉะนั้นชีวิตบนดุนยานี่อย่าลืมนะสุขก็แค่ตายใช่ไมเงินมีก็บางทีเงินก็หมดก่อนบางทีคนตายก่อน ความสุขบนดุนยาเนี่มันมีอะไรนะมีวันหมดอายุแต่ความสุขในโลกอาคีรอไม่มีวันหมดอายุเลือกเอาอ่นไหนแค่ว่าฉันเลือกตั้งสองโลกเลยถ้าหากสองโลกโลกโล ก, โลกโดุนยาสบายศาสนามาันจะอ่อนคนถ้าอยู่บนดุนยาเนี่ยถ้าอยู่สบายเกินไปนะบวชก็ไม่ได้บวชแล้วก็นามายก็ไม่ค่อยได้เอาสงสารคนก็ไม่มีใจก็เข้มแข็งกระด้างเต็ไมไปหมดนะ ดังระวังดีดันั้นเราเอาดุนยาเหมือนกันแต่เอาพออยู่ได้พอสบายสบแล้วก็อาครอดนั่นคือเป้าหมายอันสูงสุดนะครับุลลอฮุมะบบิฮัมดิกัสโวลัยอิลละอิลละอั a h i u s w a t barileyو ا